ถ้ปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นรู้สึกอยู่ที่เดียวที่มันรู้สึกได้ที่ที่ลมมันคลูดออกมันอยู่ตรงปลายปลายจมูกนั่นแหละพอลมหายใจออกสุดก็รู้กับลมหายใจเข้าหายใจเข้าทำลมหายใจเข้ายาวๆเลย นี่คนมาใหม่ๆนะส่วนคนเก่าที่ว่านั่งเข้าทำนิมิตได้แล้วก็นั่งต่อไปเลยคนที่ใหม่ๆ2 3สามคนเนี่ยกาหนดลมหายใจเข้ายาวให้รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าแต่อยาวิ่งตามลมหายใจนะหมายความว่าความรู้สึกไม่วิ่งตามลมหายใจคอยรู้สึกกับลมหายใจที่คลูดเข้าทางช่องจมูก ทำยาวแล้วลมลมออกกาหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวกาหนดรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมนี่รู้อยู่ที่เดียวนะรู้อยู่ที่ลมเขากระทบที่ช่องจมูกนั่นแหละความรู้อยู่ตรงนั้น ตัวรู้จะทำหน้าที่เหมือนกับรอปภที่อยู่ในป้อมยามรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนั้นกำหนดลมยาวทักสามคู่ของลมหายใจและกำหนดลมสั้นทีนี้เข้าสั้นออกสั้นรู้อยู่ที่เดียวนะรู้อยู่ที่รู้เดิม เรียกว่าที่ตั้งของจิตรู้จะกำหนดลมหายใจท่านจักสามคู่สี่คู่จนมันรู้สึกอึดอัดจะปล่อยลมปกติทีนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เป็น ล, ลมปกติ นี่การที่เราจะรู้ลมโดยไม่ให้จิตรู้ไปหมกอยู่ที่ลมรู้ลมโดยที่ไม่ต้องให้จิตรู้ไปหมกอยู่ตรงที่ตั้งของจิตรู้เนี่ยมันทำอย่างไรให้มันลงตัวพอดีเรารู้ลมที่ไหลเข้ารู้ลมที่ไหลออกเนี่ยลมที่ไหลเข้าไหลออกเรารู้ตามเวลาของมัน เวลานานเขาเรียกว่านานตามเวลาเนี่ยอัฏฐานสังขาเตเนี่ยอัฏฐาสังคาเตในการนับวันนานนะอัฏฐานสังขาเตด้วยว่าในการนับวันนานเวลาเราหายใจเข้าปับ๊บโรคเฝ้ารู้อยู่ตรงที่ตั้งของจิตรู้เนี่ย รู้ในความที่ลมมันเข้าไปนานถ้าเราใช้เสียงว่ า, ถ, า, ถ, าถ้าว่าใช้เสียงใช้เสียงแทนเนี่ยเสียงตือนี่ลมเข้าลมออกเราเฝ้ารู้ตรงนั้นนะ รู้ว่าลมมันเข้านานตามเวลาที่มันเข้านานเรีว่านานตามเวลายาวตามเวลากัญชยัยสับตรงนี้ว่าอัฏฐานสังขาเตโดยการนับบรรนานอิเตริสสังขาเตโดยการนับสัน้นเพราะก็นับว่านานนี่หมายความว่ามันเอาเวลา มันไม่ได้ไปเอาลมหรือไม่ได้ไปเอาที่นิมิตมันเอาที่เวลาเวลามันไม่มีไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นตัวนะตัวเวลาเนี่ยเวลาที่มันเข้าวความรู้นานก็เอาที่เวลาไม่ได้เอาที่ลมไม่ได้เอาที่นิมิต เวลาที่ลมมันเข้าเวลาที่ลมมันออกโดยเข้ารู้อยู่ที่เดียวว่าลมเข้ามันนานความนานของมันเป็นอย่างไรหอะไรเข้ารู้เลยออกรู้ <S <S ลมนั่นเป็นลมปกติเลยจะกําหนดรู้ไปมีการกําหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้า เป็นการกำหนดเล็กน้อยแต่ว่าไอ้ตัวรู้ที่ตรงเข้าไปในการไหลเข้าของลมในการไหลออกของลมนั้นจะมีกำลังที่มากกว่าการกำหนดมันเลยเหมือนไม่กำหนดเหมือนการรู้ลมแบบธรรมชาติรู้นั้นความรู้อยู่นิ่งๆนะไม่วิ่งตามลมหายใจไม่วิ่งตามลมหายใจออกไม่วิ่งตามลมหายใจเข้า ไม่ได้สงสัยว่าลมหายใจเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดในขณะที่รู้ลมหายใจอยู่ตัวรู้นั้นเขาไปรู้อย่างอื่นก็แค่รู้ไปเราไม่สนใจไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปเที่ยวไปหมายรู้ต่อความรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอยู่ตรงนั้นต่อเนื่องไปเรื่อย ถ้าจิตมันรู้ลมด้วยเดี๋ยวมันไปรู้ขาเดี๋ยวมันไปรู้ท้องเดี๋ยวมันไปรู้หน้าก็ให้มันรู้ไปแต่ว่าเป็นรู้ที่เราไม่ได้ใส่ใจเหมือนเราขับรถเราขับรถอยู่บนถนนเราแน่ ๆ, ๆอยู่กับเลนของเราแต่เราอาจจะไปเห็นด้านซ้ายเห็นด้านขวาเห็นบรรอากาศเห็นน่นเห็นนี่ก็เห็นไปแต่ว่าแต่ว่ามันว่าแค่เห็นแล้วมันก็ผ่านไป เราเพียงแค่แน่วแน่ในเลนที่เรากำลังขับอยู่อันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไม่ปไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปทำลมหายใจให้มากนะักเพียงแค่ให้เป็นไปตามธรรมชาติ บางทีพอรู้ลมเข้าต้นลมนวนมันวิ่งไปที่สวงอกปลายลมวิ่งไปที่ท้องถามว่ามันผิดไหมก็ตอบว่ามันไม่ผิดแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่ความจริงเรากับเฝ้ารู้อยู่ที่เดียวให้ได้ให้แน่วแน่ รู้จูตรงปลายจมูกที่ลมมันกระทบที่ลมมันคลูดเข้าคลูดออกรู้อยู่ตรงนั้นตอนลมเข้าก็รู้ตามความนานของลมตอนลมออกก็รู้ตามความนานของลมออกตอนลมเข้าก็รู้ตามความนานของลมเข้าก็รู้นอนอย่างนั้นเหมือนกับเรายืนอยู่แล้วเราก็ งูตัวหนึ่งมันเลื้อยผ่านหลังเท้าของเราเรารู้จุดที่งูมันกระทบบันนานหรือไม่นานนะงูมันเลื้อยผ่านหลังเท้าเราก็รู้จนหมดนะไอการที่เรารู้ที่งูมันเลื้อยผ่านนะเราไม่ได้ไปวิ่งไปดูหรอกว่าตัวงูยาวเท่าไหร่ตัวงูวิ่นแบบไหน แต่เรารู้ความนานของการที่งูมันเลื้ยผ่านหลังเท้าของเรารู้ความนานนะความนานของงูที่มันไหลเลื้ยผ่านหลังเท้าของเรานานอย่างไรก็อย US ่างนั้นนะเหมือนกับลมที่มันหายใจออกลมที่มันไหลออกลมที่มันไหลเข้าเรารู้ความที่ลมไหลออกนะรู้ความนานของลมหายใจที่มันไหลออกไป รู้ความนานของลมหายใจที่มันไหลเข้ามามันจะทำให้จิตของเราไม่ปักอยู่ที่นิมิตและไม่ปักอยู่ที่ลมมากเกินไปจับจับความนาน จับความนานของลมที่ไหลออกไหลเข้านี้ไปเรื่อยๆนะเอาให้ชำนาน ถ้ามันง่วงก็ยืดกายให้ตรงตั้งขึ้นมาใช้ความกล้าใช้ความกล้าในการที่จะกำจัดความง่วงนะใช้การปรารบความเพียรเพราะว่าความห่วงกอกินปับ๊บความเพียรเราก็เริ่มฝ่อลงเราก็ใช้ความกล้าในการที่จะปลุกความเพียรเรียกว่าอารถะวิริยะตั้งกายให้ตรงแล้วก็เริ่มรู้ลง ตั้งกายให้ตรงเริ่มรู้ลมเราทำอย่างนี้บ่อ ย, อยเดี๋ยวมันก็ฝ่อเองเราไม่ได้หมายไปในอนาคตเราไม่ได้หมายไปในอดีตนะเราไม่ได้ใส่ใจด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างด้านหน้าด้านหลัง เพียงแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าตามความนานของลมนั้นรู้ลมหายใจที่ไหลออกตามความนานของลมหายใจที่ไหลออกนั้นไม่เกาะอยู่ที่ฐานที่ตั้งมากจนเกินไปและไม่ขวังอยู่ที่ลมมากจนเกินไป ไม่ปล่อยให้จิตแนบกับลมหรือไม่ปล่อยให้ลมมาแนบกับจิตนะเพียงลมเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้ก็ขอแค่รู้ตามความนานของลมที่ไหลเข้าตามความนานของลมที่ไหลออก ให้จิตมันคว้าวรู้ลมตามความนานก้องลมออกตามความนานก้องลมเข้าต่อนเนื่องไปเรื่อยๆมันจะไม่มีอดีตมันจะไม่มีอนาคตเวลาจิตก็ไม่พฟวงว่ามันนานไม่พฟวงว่ามันมันมันนานไป คือมันจะปวดหรือมันจะเจ็บถ้ามันหลุดออกจากลมหายใจออกจากความเป็นปัจจุบันมันก็จะรู้สึกว่าโว้ยนั่งนานปวดก็จะมาเมื่อยก็จะมาเจ็บก็จะมาแต่เราเข้ารู้อยู่กับลมมันเป็นปัจจุบันตามลมหายใจที่ไหลออกตามลมหายใจที่ไหลเข้า แม้มีความปวดมันก็ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ใจปวดแม้มีความเจ็บความเจ็บก็มีกำลังไม่พอที่จะให้ใจมันเจ็บด้วยอันนี้คือตัวที่รู้ตรงสู่ลมหายใจเป็นเป็นตัวสติสติเริ่มตั้งขึ้นสติเริ่มตั้งขึ้นกายจะไม่กระสับกระส่ายกายก็จะเริ่มนิ่ง ไม่วอกแวดโองเอียน ของ่วงก็ตั้งกายตรงยึดกายให้ตรง ถ้ามันเกิดความปวดอย่าไปให้ความสำคัญมันต้องปรับจิตรู้ดูว่ามันเพียงแค่มีความปวดเกิดขึ้นความปวดมันเกิดขึ้นตรงนี้ให้จิตมันเข้าไปรับรู้ว่าความปวดมันเกิดตรงนี้แล้วค่อยๆน้อมจิตเข้าไปรู้ลมหายใจปล่อยความปวดนั้นไว้ลองแยกออกดู เม่จิตไม่ให้ความสำคัญกับความปวดจิตไม่ให้ความสำคัญกับความเจ็บจิตไม่ให้ความสำคัญกับความเหน็บความชา ى, ที่เกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายแต่วก็น้อมจิตนั่นแหละเข้าไปสู่ลมหายใจได้รู้ลมหายใจตามความนานของลมหายใจค่อยๆปรับตัวรู้ปรับตัวที่รู้ลมหายใจให้มีกาลังมากขึ้น ให้ตัวรู้นำมันน้อมก็ไปเพื่อการรู้ลมหายใจมากขึ้นความสงบ ก, ก็จะปรากฏความปราโมทก็จะเกิดแม้มีความปวดความเหน็บความเจ็บปรากฏให้รู้อยู่แต่รู้ก็จะไม่กระสับกระส่ายเพราะความปวดความเจ็บความเหน็บอันนั้นมีกำลังน้อยกว่าจิตอย่างน้อมก็ไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจได้ หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้อย่างนี้ ลมจิตค่อยๆยกจิตออกจากลมหายใจไปรู้สึกอยู่ที่มือข้างฝานะ่าขยับปลายนิ้วมือฝ่าให้จิตรู้สึกขยับนิ้วมือฝ่าให้จิตรู้สึกแล้วค่อยๆยกมือฝ่าขึ้นช้าๆ แล้ ว, วางไว้ที่ข่าข้างฝา ations. จ, จ, จิตรู้สึกที่มือข้างขวาอันวางไว้ที่ข่าข้างฝายกจิตมารู้สึกกับมือข้างซ้ายจับขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกขยับปลายนิ้วมือซ้ายค่อยค่อยยกมือซ้ายขึ้นช้าชาเอามือซ้ายวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายให้จิตรู้สึก ยกจิตมารู้สึกที่ใบหน้ารู้สึกเฉพาะใบหน้านะฝา อ, อกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิอืมค่อยๆปรับเปลี่ยนท่านั่งช้าๆ เวลาอันนี้ทำความรู้จักสภาวะสามอย่างที่ว่าคนภาวนาอาณาปานสติต้องรู้ คือหนึ่งตัวนิมิตตัวนิมิตก็คือตัวที่ตั้งของจิตรู้ซึ่งครั้งนี้เรารู้แล้วว่านิมิตของเรานิมิตสำหรับที่เราจะเฝ้ารู้ลมหายใจนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้นิมิตคือป้อมยามของหมู่บ้านนิมิตคือที่อยู่ปากถ้มที่เราเฝ้ารู้ ของเราอยู่ตรงไหนนี่เรารู้แล้วเป็นสภาวะที่ปรากฏชัดประจักษ์ด้วยใจของเราเองว่าตรงนี้คือนิมิตอันที่สองคือลมหายใจออกเป็นสภาวะที่ปรากฏชัดที่ว่าเราสามารถอยู่ที่นิมิตคืออยู่ที่ตั้งของจิตรู้แล้วก็คว้าวรู้ลมหายใจออกได้โดยที่ไม่ต้องไป เอาจิตเป็นแนบอยู่กับลมไม่ต้องเอาจิตไปแนบอยู่กับนิมิตจิตเพียงแค่รู้ลมหายใจออกตามระยะเวลาที่มันตามความนานของมันจิตรู้ลมหายใจเข้าตามความนานของมันสามอย่างนี้เกิดเป็นสภาวะที่ปรากฏชัด ในเราก็ในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจของเราประเดี๋ยวมันก็สั้นลงประเดี๋ยวมันก็ยาวประเดี๋ยวมันก็สั้นประเดี๋ยวมันก็ยาวบางครั้งมันก็ค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆยิ่งจิตสะบบมากเท่าใดใจลมมันจะยิ่งสั้นลงเท่านั้นเพราะว่า จิตที่ปราณีตกายมันจะสังบรลครับจิตก็จะปราณีตลมก็จะละเอียดมากขึ้นยิ่งกายสงบจิตสงบมากเท่าใดลมก็จะละเอียดและก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปรากฏให้เราผู้ปฏิบัตินั้นได้สัมผัส ไ, ได้รู้เห็นชัดๆเรียวกว่าเกิดเป็นความรู้และมีสภาวะมารองรับ ถ้ามันมีสิ่งมีสภาวะอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่ที่เราไม่ไปสนใจในสภาวะเหล่านั้นปล่อยให้มันผ่านไปปล่อยให้มันผ่านไปเราประคองรู้คอยคอยรู้ลมหายใจไว้เป็นหลักอันนี้ก็ปรากฏให้เห็นความเมื่อยความปวดความเหน็บความเจ็บ ความคันความชาอันเป็นเวทนานะที่เกิดขึ้นที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งเวทนาบางตัวคือความเมื่อยความเจ็บบางตัวที่เกิดขึ้นแล้วจิตเข้าไปรับรู้แล้วมีมีจิตภาวะหนึ่งที่คบปล่อยวางปล่อยวางเวทนาคือปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความปวดนั้นไว้ตรงที่มันเจ็บมันปวด แล้วเราผู้ปฏิบัติได้ใช้ความกล้าหาญน้อมใจขึ้นมารู้ลมหายใจโดยไม่ใส่ใจไม่อ่านอะไต่อความเจ็บความปวดเราสามารถมารู้ลมหายใจได้โดยปล่อยให้ความเจ็บความปวดนั้นคงอยู่ที่มันเกิดสภาวะนี้ก็ปรากฏขึ้นที่เราสามารถเข้าไปรู้เรียนรู้ได้ มันปรากฏขึ้นแล้วอันนี้เป็นเพราะว่ากำลังของความเพียรอันมีสติสัมปชัญญะมีกําลังมากกว่ามากกว่าเวทนาคือความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เราสามารถที่จะให้ความเจ็บความปวดนั้นคงตั้งอยู่กับที่มันเกิดโดยที่เราไม่เอาใจไปหมกมุ่นไปเสพไปหมกไปแช่อ ย, อยู่กับความปวดนั้น เราก็สามารถทําได้อันนี้ก็เป็นสภาวะที่ปรากฏความเจ็บความปวดอันนั้นที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เราวางแล้วและเรามารู้ลมแต่ความเจ็บความปวดนั้นยังคงอยู่เราก็สามารถที่รู้ลมและเราสามารถเข้าไปรู้ในความเจ็บความปวดนั้นและก็ยังวางไว้อย่างเดิมจนความปวดนั้นหายไปได้ด้วย ความสิ้นไปของเหตุและปัจจัยนั่นเองเรายังคงรู้ลมได้ความปวดที่เคยปวดมันกลับหายไปเองนี่เป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นเราก็รู้ได้อยู่ตรงนี้เราก็ใช้การเรียนรู้ของเราว่าความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นเขาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็มีการแปรปลวนปรากฏ แล้วในที่สุดเขาก็ดับสลายไปความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาแต่ละดวงแต่ละดวงมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเป็นอย่างนั้นทำความรู้นี้ให้ปรากฏเพื่อที่จะไล่เรียงดูสภาวะที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้จะได้ไม่เป็นปัญหารบกวนจิตจิตยิ่งเห็นสภาวะเกิดขึ้นมากเท่าใดจิตจะยิ่งได้ปัญญามากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าใช้สติกับสมาธินั้นไปเพ่งพินิจมองถึงสภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริงพอเห็นสภาวะเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตไม่ไปตกอยู่ในอำนาจของสภาวะอันเป็นเวทนาใดๆยิ่งเข้มแข็งยิ่งมีความกล้าหาญยิ่งมีความเพียรที่มีกำลัง ยิ่งทำให้สติมีกำลังยิ่งทำให้สมาธิมีกำลังยิ่งทำให้ปัญญามีกำลังจิตยิ่งเกิดความสงบขึ้นกำลังเป็ น, เ ป, นเป็นการพอกฟูนอุเบกขาให้ตั้งขึ้นเป็นกำลังต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสภาวะที่จะปรากฏอยู่และความเพียรของเราที่จะทำสมาธิรู้ลมในครั้งต่อไปต่อไปนั้น มันก็จะทําให้เกิดการหอกห้ามไฝบูญเรียกว่าจะยิ่งพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นไปอย่างนี้ในภาคเช้าในการปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเพียงพอแนละ้วต่อจากนี้ประมาณสิบนาทีให้โอกาสพวกเราได้ถามปัญหานะสนทนาธรรมหลังการปฏิบัติรอบเช้า ใครจะสนทนาใครจะมีปัญหาใครเจอสภาวะใครสงสัยก็ถามกันได้นะถามตอบกันได้อะออนั่งตงุ้นก็ได้คือถ้าสมมติเกิดเรากําหนดคือเล่นเล่นนแล้วเร า, เ, ราเหมือนกับโลกายทั้งกาย อยู่ในการนคกพรในรคืออยู่ในการรแล้วก็อิ่มด้วย ไ, ไปอ่านเรื่องจิตตะนาครมาใช่ไหมอืมผิดผิดไหมครับออไม่มีผิดหรอกไปอ่านเรื่องจิตตะนาครมาใช่ไหมเ้ยค่ะเคยอ่านแล้วมันก็ไปเป็นสัญญาเพราะว่าเรารู้ลมคือไม่เป็นไรหรอกเขาเขาจะไปรู่วอะไรก็ปล่อยเขารู้ไปแต่เราไม่เอา เข้าใจไหมเขาจะรู้ตามสัญญาก็ปล่อยเขารู้ไปแต่เราไม่เอาเรารู้เพียงแค่ว่าเราทําหน้าที่อะไรไม่ไม่ต้องกลับมาหรอกคือเขารู้นั่นเราไม่จริงๆริงเขารู้อ่ะเขารู้ว่าเราไม่ได้ไปรู้ด้วยถ้าเราไม่ไปรู้ด้วยแสดงว่าเรายังอยู่ที่ลมอยู่เข้าใจป่ะเออเหมือนเราเหมือนเราขับรถอะ่ะเราอยู่ในเลนของเรา เราเห็นซ้า เ, าเห็นขวาเราก็แค่เห็นแต่เราไม่ได้หลุดออกจากการขับรถใช่ไหมเออ ม, มันสามารถรู้ได้แต่เราไม่เอาไงถ้าไปเห็นแล้วเอทิ้งเลยที่เล่นตัวเองไม่ทิ้งเลยใช่ไหมหานไปอ่อยนู้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันตรายแต่ถ้าว่าเนื่องจากสัญญาเราเนี่ยมันเยอะไงเราไปอ่านจิตตนครมาไปอ่านโน้นมาเรามันพวกขยันอ่าน ก็นันรู้ความรู้ที่มันมีอยู่พอเรานั่งจิตรู้ลมพอมันมันจะสงบได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านสัญญาพวกเนี้ยวิ่งเข้ามาก็รู้ได้ก็ผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาไงก็แค่รู้แต่เราไม่เอาจิตเราเป็นแค่ทําหน้าที่ในการดูความดูความเข้าวความออกของลมเมื่อกี้ที่เปรียบให้ดูเหมือนกับว่าเหมือนงูมันเลื้อยผ่านมือนเนี่ย ใช่เราไม่ไปแนบอยู่กับงูเราไม่ไแนบเราไม่แนบอยู่กับงูเราไม่ไปแนบอยู่กับมือแต่ว่าเรารู้ในในความสัมผัสที่งูมันเลื้อยอ่ะเลื้อยผ่านหลังมือเราอ่ะรู้ความนานของการเลื้อยของงูใช่ไหมมันจะทําให้เรารู้ว่าเราว่างูตัวนี้ยาวหรือสัน้นเข้าใจไหมเออแต่เราไม่ไปแนบไม่เอางูมาแนบอยู่กับ เราเราไม่ไปนแนบอยู่กับงูเราไปไม่นนแนบอยู่กับมือแต่เรารู้ถึงการสัมผัสที่งูมันเลือ้อยผ่านหลังหลังมือเราอยู่ดเดียวนี่คื อ, เ ป, นน อ, อ เ, เป็นหน้าที่หลักรู้ลมที่มันไหลออกเนี่ยรู้ลมความตรงเนี่ยเป็นหน้าที่หลักแต่ธรรมดาเขาสามารถที่จะในขณะที่รู้ลมอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะรู้อย่างอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปรู้ไง มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาตามกำลังสัญญาของเราไม่ต้องสนใจแค่รู้แล้วก็ปล่อยไปมันไม่ใช่กิจเราคือในขณะที่คำว่าภาวนามันจะมีกิจอยู่กิจหนึ่งที่เป็นหน้าที่หลักเข้าใจปะ่ะอยู่กับหน้าที่หลักนั่นแหละแต้อย่างธรรมดาอย่างอื่นได้ได้แต่ว่าไม่เอาไม่เอา ไปอ่านจิตนารมาหมอมีไหมไม่ใ hmm, ช่ไปบ้านได้ปฏิบัติหรือเปล่าปฏิบัติบ้านเรื่ารบทีปฏิบัติยังไงมีสภาวะยังไงอะไรสงสัยยังไงเล่าให้ฟังดิคือบครั้งพอมที่ลม ในสับถุงต่างจะเรกชื่อว่ารู้ลมทั้งพวงแล้วก็ลมรับบางครั้งก็เกิดได้อืมถ้าก็เกิดความสว่างมันก็ก็คงก็มันเรียนต่อเฉพาะเพราะว่ายังยังไปอยู่บ้านเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติมันเลยไม่ต่อเนื่องไงเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วที่มาปฏิบัติที่วัดอ่ะที่เข้าปฏิบัติที่วัดหลายคนเลยแหละได้เข้ากระแสของลมนะครับ ได้เข้ากระแสของลมทั้งปวงได้กันเยอะหลายคนเลยอ่ะแต่ที่นี้มันไม่ชำนานพอกลับบ้านนิวรนก็เอาไปฉันจะเรียบหมดต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นไอ้ข้อสำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องพอเราเป็นแล้วดูลมยาวลมสั้นเราเป็นแล้วเนี่ย ลมสั้นคือลมเมื่อเมื่อตะกี้ถ้าฟังให้เข้าใจจะเห็นว่าลมสั้นเป็นลมที่มันเกิดเองแล้วเพราะจิตสงบใช่ไหมเพราะใจมันสงบเข้าสู่ความประหภคกายนิ่งเนี่ยลมมันจะค่อยๆละเอียดแล้วมันจะสั้นลงเร็วๆมันก็จะสั้นบ้างหยาวบ้างสั้นบ้างหยาบบ้างแต่หลังจากที่จิตยิ่งสงบปราณีตมันโมจะยิ่งหดตัวลงจะยิ่งสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลง ที่เรารู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องแต่ละขณะของแต่ละคู่ของลมที่เข้าออกเราจะสังเกตว่าลมของเราบางครั้งโอ้มันละเอียดบางครั้งมันสั้นบางครั้งมันสั้นติดๆติดดกันโดยที่เรามีสติและไม่รู้สึกอึดอัดและไม่เหนื่อยอันนั้นนะสภาว่านั้นให้รู้ไว้เลยว่ามันมีสติและลมมันสามารถสั้นลงได้นั้นคือมันเข้าสู่ความสงบมันเข้าสู่ความสงบแล้วก็ถ้ามันสั้นอย่างนั้นแน่ๆไปเรื่อยๆนเป็นขั้นที่สอง คือรัตซังว่าอัตระสันโตรัตซังอัตรามีติก็กำก็คือรู้ลมสั้นเหมือนกับตอนที่รู้ลมยาวรู้อะไรของลมสัน้นก็รู้ความนานของลมสั้นนั้นนหะท่านใช้ศัพท์ว่าอิอริธานาสังคาเตคือว่าด้วยอันประมวลว่ามันนิดหน่อยทํำยังไงอนะ่ะที่เราจะรู้จักคําว่านิดหน่อยของลมหายใจได้ก็ที่เรารู้สึกตรงนี้ที่ลมมันเข้านะ ถ้าเป็นถ้าเป็นงูเลื้อยผ่านหลังมือก็จุดเดียวใช่ไหมถ้างูเลื้อยผ่านหลังมือก็จุดเดียวเข้าใจไหมงูมันเลื้อยผ่านจุดเดียวเออแต่แต่ตมันเป็นผลจากการที่จิตมันสังมหกลมมันปราณีมันก็จะสั้นลงแต่ทีนี้ถ้ามันสั้นลงนะเ ร, รามีสภาวะอื่นเข้ามาเช่นพวกความสงสัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นปับ๊บ มันจะยาวขึ้นพอยาวปั๊บสแสดงว่ามันลมหยาบเกิดแล้วความสงบเริ่มเริ่มกระจายออกไปเราต้องทำยังไงข้อเสียของเราเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้พอลงพ่อบอกอย่างนี้เสร็จแล้วอ๋อจับลมสั้นนั้นใช่ไหมเราทำทาทาพอลมมันสั้นแล้วใช่ไหมพอลมมันสั้นแล้วพอสั้นปับ๊บความรู้สึมันสั้นแล้วลมก็ยาว ไฮ้ไม่เอาที่ไปควานหาลมสั้นเนี่ยเนี่ยเนีพอไปควานหาลมสั้นมันเป็นยังไงไม่ใช่กิจแล้วผิดหน้าที่แล้วไอ้นี่ได้เรียกตัณหาจริยาจะเกิดง่ายมากเลยในทางปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าพเพราะดูจิตสะหอบปั๊บลมปราณิดลมจะสั้นลงเห็นไหมเราพอนั่งปับเราเปกควานหาอะไรควานหาลมสั้นแต่ลมมันไม่สั้นนี่เราทําให้มันสั้นไม่ได้เพราะมันจะอึดอัด มันต้องสั้นของมันเองเวลามันสั้นของมันเองนี่มันมันจะเกิดความสมดุลคือกายจะสะฮกนิ่งจิตจะประณีตขึ้นปราณีตขึ้นทุกอย่างมันจะลงตัวหมดเลยมันจะสั้นของมันได้อย่างนั้นเราจ้ใช้อย่างไรใช้ความคิดเข้าไปช่วยนะไหมใช้ความคิดใช้ความพยายามควายแค่ความจงใจทั้งหมดเลยมุ่งก็ไปเพื่อให้ลมมันสั้นแล้วก็จี้ลงไปหาความสั้นของลม จี้ลงไปจี้ลงไปจี้ลงไปเอ้ยเจอแล้วนี่เจอแล้วเอ้ยเอาหายไปอีกแล้วไอ้พวกนี้ตัณหาจาริยาทั้งนั้นกลับไปให้มันแน่ๆอยู่กับลมปกติลมยาวก่อนให้ความโศกมันเกิดแล้วทุกอย่างให้มันเกิดมาเป็นความเป็นจริงของมันอย่าไปคิดว่าโอ้ยอย่างนี้มันสั้นและถ้าหากบ่มสติสมาธิได้ภาคภูนยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเข้าสู่ฌานสมาบัติมรขผลได้ในขณะที่อยู่ลมยาวก็ได้ สามารถเข้าได้หมดเลยบ่มอินทรีย์ให้มันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแน่่อยู่กับกิจอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆได้หมดอย่าไปคิดว่าโอ้ยยังอยู่ขั้นหนึ่งอยู่เลยต่อไปต้กว่าจะจบสี่บขั้นกว่าจะได้มรดกได้ผลตายไอ้อย่างนี้ไอ้ตัวที่จะพาเราวิ่งเข้าไปเสพคือตัณหาจริยาทั้งนั้น่ะ มันเล่นไปกับตัณหาทั้งนั้นนะเออไม่มีคำถามกับไป